เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาหลายรุ่นคือสมัยที่คุณย่าทวดของนิ่มยังสาวๆชื่อวิายาแจม่มช่วงนั้นที่หมู่บ้านในต่างจังหวัดมีคนเจอกระสือบ่อยมากแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครที่เป็นกระสือจนย่าแจ่มได้ไปเจอไปรู้จักกับปู่เฉลิมทั้งคู่ชอบคอกันมากเวลาผ่านไปไม่นานปู่เฉลิมและย่าแจ่มก็ตกลงแต่งงานกันย่าแจ่ม เลยต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านปู่เฉลิมบ้านจะเป็นบ้านไม้เก่าๆมีสองชั้นและค่อนข้างอับมากที่บ้านจะมีแค่แม่ของปู่เฉลิมที่อาศัยอยู่ด้วยแกชื่อยายหอมตกดึกคืนแรกนั้นย่าแจ่มนอนหลับแต่ก็รู้สึกคล้ายๆเหมือนกับตกจากที่สูงจนย่าแจ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นปู่เฉลิมยังหลับอยู่ข้างๆย่าแจ่มเลยไม่ใส่ใจ คิดว่าคงเพราะนอนต่างที่พอจะนอนต่อสายตาก็ดันไปสะดุดกับบานหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทยาแจ่มกำลังจะลุกไปปิดแต่ว่าอยู่ดีๆก็เห็นมีแสงสีแดงวาบลอดผ่านเข้ามาตอนนั้นเองในหัวของยาแจม่มก็นึกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่าช่วงนี้มีกระสือออกบ่อยยาแจ่มเรื่มใจเสียเลยรีบนอนลงแต่สายตา ย, ยังคงแอบดูอยู่ ย่าแจ่มตกใจสุดขีดเพราะจู่ๆหน้าต่างที่เปิดอยู่ก็ถูกใครบางคนปิดให้สนิทจากด้านนอกยิ่งไปกว่านั้นห้องที่ย่าแจ่มนอนอยู่มันคือชั้นสองทำให้ย่าแจ่มยิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นย่าแจ่มเลยเล่าให้ปู่เฉลิมฟังแต่กลับโดนต่อว่าเอาอประมาทไปเองย่าแจ่มเลยไม่ได้เล่าอะไรต่อช่วงสาย ย่าแจ่มที่กำลังทำความสะอาดบ้านก็เห็น้อยเลือดหยดเป็นดวงตามพื้นกระดานไม้แต่ก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะมีใครไปเหยียบอะไรมาจนได้แผลวันๆย่าแจ่มใช้เวลาอยู่แต่กับบ้านแต่ที่น่าสังเกตคือแม่ของปูเฉลิมไม่ยอมออกมาจากห้องเลยเลยคิดว่าแกแก่แล้วคงต้องการพักผ่อนเยอะๆแต่ก็สงสัยอีกว่า ใจคอจะไม่ลงมากินข้าวกินปลาเลยเหรอญาแจมเลยตัดสินใจไปเคาะประตูห้องถามแม่ไม่ลงมากินข้าวสักหน่อยเลยจ้เที่ยงแล้วแล้วก็มีเสียงเบลตอบกลับมาว่ากูกินแล้วมึงกินเถอะพอตกตอนเย็นวันนั้นช่วงที่ย่าแจมทำกับข้าวอยู่ตรงตาโตเพราะยายหอมเดินมาหาในครัวย่าแจมเลยถามว่าแม่หิวเลยจ้ายายหอมยิ้มแลวตอบว่ากูมาช่วยทากับข้าวแล้วยายหอม ก็เดินเข้ามาใกล้ยาแจมเท่านั้นแหละยาแจมได้กลิ่นเหม็นสาบแรงมากๆจนคลื่นไส้ในใจยาแจมคิดว่ายายหอมคงขี้เกียจอาบน้ําก็ไม่คิดอะไรมากพยายามอยูห่หาแกไว้เย็นวันนั้นก็นั่งกินข้าวกินปลากันพร้อมหน้าสามคนหลังจากกินข้าวกันเสร็จย่าแจมก็รู้สึกง่วงมากง่วงเหมือนจะล้มตัวนอนให้ได้เลยทีเดียวทั้งที่เวลาเพียงแค่ทุ่มเสรศษๆยาแจมเข้านอน ก็เห็นปู่เฉลิมนอนอยู่ก่อนแล้วสักพักย่าแจ่มก็เผลอหลับไปจนไปตื่นอีกทีก็เช้าเลยย่าแจ่มลุกจากที่นอนเพื่อลงไปล้างหน้าและทำกับข้าวเช้าระหว่างลงบันไดยอยู่ย่าแจ่มก็ได้กลิ่นเหม็นคาวรุนแรงมากคิดในใจว่าใครมาทำอะไรไว้ถึงได้เหม็นแบบนี้พอตกเย็นยายหอมก็มาช่วยทากับข้าวเหมือนเดิมพอกินเสร็จย่าแจ่มก็ง่วงนอนมากอีกแล้ว พอนอนตื่นเช้ามาก็มีกลิ่นเหม็นคาวเป็นแบบนี้ทุกๆวันติดต่อกันเกือบสองอาทิตย์ย่าแจ่มเลยออกไปหาเพื่อนๆนเพื่อปรึกษาพอเพื่อนๆนได้ฟังก็ถึงกับชวนแกไปสํานักแม่หมอที่คนแถวนั้นเรื่องเลือกันว่าเก่งมากพอเล่าเรื่องราวทั้งหมดแม่หมอก็ถามเสียงดุว่ามึงไปอยู่ได้ยังไงย่าแจ่มก็ทําหน้าแบบงงๆพร้อมกับคําถามว่าอะไรเหรอจะ๊ะที่ว่าอยู่ได้ แม่หมอบอกว่าคืนนี้มึงอย่า ก, กินข้าวอย่า ก, กินน้ำและต้องปิดประตูหน้าต่างลงกรอนให้หมดทุกบานกลับบ้านไปวันนั้นย่าแจ่มลองทำตามที่แม่หมอบอกทุกอย่างถึงเวลากินข้าวก็ทำท่าเคี้ยวแต่ก็แอบคลายทิ้งลงคันน้ำหมดน้ำก็ไม่กินหน้าต่างประตูก็ปิดลงกรอนหมดทุกบานก่อนนอนที่น่าแปลกคือย่าแจ่มไม่มีอาการง่วงแม้แต่นิดแต่ก็เข้าไปนอนในมุง้งจนเผลอหลับไปตกดึก เสียงดังทำให้ย่าแจ่มตื่นขึ้นมาแล้วก็ตรงตกใจสุดขีดภาพที่เห็นคือยายหอมที่มีแต่หัวพร้อมกับแสงสีแดงจนไม่อาจเห็นได้ว่าท่อนล่างคืออะไรกำลังเอาหัวชนหน้าต่างอยู่ไม่หยุดย่าแจ่มกลัวจนน้ำตาไหลขนนี่ลุกไปหมดทั้งตัวใจก็เต้นแทบจะหลุดออกมาย่าแจ่มไม่รู้จะทำยังไงจึงหันหน้าไปปลุกปูเฉลิมแต่ขย่าเท่าไหร่ปู ก, ก็ไม่ตื่น เราก็ปรับเป็นตายยังไงอย่างนั้นหญ้าแจ่มเผลอสะอื้นออกมาจึงทําให้กระสือยายหอมค่อยๆลอยมาทางมุ้งแบบช้าๆหญ้าแจ่มรีบสวดมนต์ในใจในขณะที่กระสือยายหอมก็ลอยวนไปรอบๆก่อนจะถามว่ามึงปิดหน้าต่างกูเหรอแล้วหญ้าแจ่มก็สลบไป่พอเช้ามาหญ้าแจ่มรู้สึกตัวก็รีบไปย้ายข้าวของกลับมาอยู่บ้านของตัวเองแต่ปูเฉลิมไม่ยอมมาเพราะห่วงแม่ เรื่องราวในครั้งนั้นทำให้ย่าเจมกับปู่เฉลิมต้องเลิกลากันไปทุกวันนี้ท่านทั้งหมดในเรื่องก็ได้เสียไปหมดแล้วแต่ในต่างจังหวัดก็ยังคงมีข่าวคนเห็นผีกระสืออยู่กันจนทุกวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c คร b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ